ท่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจกักรพรรดิเพื่อน้อมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอราธนาบารมีกำลังสมเด็จองค์วค์ปัจจุบันปรรมมหาจากักรพรรดิทุกทุกพระองค์ บารมีรวมพระปฏิเจพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอายยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตว่าบารมีรวมอของปู่ดู่พรมมะปัญโยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษณ์ทิกศกบจะทั้งลายที่สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธะธรรมะสังฆะก็ตามรูปลักษณ์ของปู่ดูของปู่ทวดก็ตามจากักรพรรดิก็ตาม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 ธรรมชีวิตต่งแมู่เช m ิธรรมังชีวิตั่างแมู่เชนิสังขังชีวิตต่งแมู่เชนิพุทธทงวันธามิธรรมังวันธามิสังขังวันธามิ ครุปชาอาชาริยาคุณังวันธามิมาตาติสุคุณังวันธามิพระตตรศากุณังวันธามินาโมจ่าจาปะตะวะโตอาระหะโตพุทธะ นาโมทัสสะพากวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะพากวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังคัจจามิ หามังสารังฆาจามิสังฆังสารังฆาจามิธุติยามติอรรสังฆาจามิธุติยามติธรมมังสารังฆาจามิ ผู้ทียามทีสังขังสารังกจามีตาที่ยมทอุดทังสารัง ชาลีอาเวระมณีสิกขาปัังสมาทิยาิมสาวาาเวระมณีสิกขาปัตังสมมาทิยานิสุรังิรยมาชามาตาทานา เวรามิสิกขาปะทานสมาทิยาิอมานิปัญจสิกขาปะทานิทิยานิอมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาทิยานิอมานิปัญจสิกขาปะทา สีเนะสุขสิญญางติสีเลนะโ a กสัมปทาสี a ลนะเนปุสิญานติอสัมมาวิโทธานะโมตัสสะภ a คาวะโตอาหะสมาสัมปุทตะ นาโมตัสสะปาปาวะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะปาป a วะโตอาโตสัมมาสัมพุทธะ n ุท a ังอะราตนะนังคารุน ทามัง at a ราตนะนังคารุนีนังค o รุนีนามุพสิสะโตอาการทิมายาอิจิปะโ s ะนามุพสิสะโตอาการทิมายาอิินามุ ขคสิสะโตอาคันติมายะนโมโคสิสะโตครมมะอัญโยนโมโคสิสะโตครมมะอัญโยนโมโคสิสะโตครมมะอัญโยเยทอโสโมหิเต นาสุตตสุมิบาปะกตโตมายากามสุนิกาตังโทสังสัพพะอาสังสังตุโยโทโสโมหิตเตนาธัมมสุมิบาปะกตโตมายากามสุิ กาตังโทสังสัพพะปะ i ังวิณะสังสุโยโทโสโมหิตเซนาสังฆะเจมิปะปะโทมายะธรมะมีกาตังโทสังสัพพะปะตังนิณะสังสุ นโมตัสสะภะคะวะโตอะโตตัมมะสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตทัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธะ นะโมพุทธายะพระพุทธายะรทตนะยะมานีโมบาลสีสะหาสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา หาภีธานัมวารังคันธ์สิวรีรรมหาเถรานหาหัวันทานิสุรโตหาหัวันทานิทาติโยหาหัวันทานิสัพพโสภูธาธรรมะสังฆาปุเจนินะโมพุทธา ราพุทธะไยรระตะยานมลีนพรัสีสาหาสุตธรรมาพูทโตธรรมโมสังโฆยะธาอูตโมนะบูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาสีธางวารังตังชีวารีสมหาเถระ อาหังวันทามิสุราโตอาหังวันทามิทาสิโยอาหังวันทามิตัปโสุภูตธาธัมมะสังฆภูเชนินาโมพุทธายะราตพุทธายะตัณฐายะมานีนพรัสีสหาสุตัมมา พุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทโธลุทาธัมมะลุทาสังฆะลุาสีธานังวะรังปันธาชีวะริจามาหาเสนาอาหังวันธานิสุลโตอาหังวันธานิอาตโย อาหันทามิปปะโสภูธาธรรมะสังฆูเชนินาโมภูธาญาลาภูธาไตรตนะญามาณีนภรัสสีสหาสุตัมนาพุทโธธมโมสังโฆยะาภูหน บูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีทางวารังคันธ์สีวรีสังหาเถระอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิอาติโยอาหังวันทามิสัพปะโสบูชาธรรมะสังฆบูเชนิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรลักษณ์ญาณมานีนปตระศีสหาาสตร์ธรรมะพุทโธธรมโมสังโฆยะถาอุตโมนะบูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีทาหนังวารังปังทัง สีวะริสมหาเสลาหาหังวันธานิสุรโตอาหังวันธานิธาติโยหาหังวันธานิสัปปสุภธะธมะสังฆูเชนินาโมภูธายะราภูธะไตรลักษณ์ญานาหีนภรั สีสาหาสุทัศน์นะ佛陀ธรรมโมสังโฆยะถาพูทโนะ佛าบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอานังวรังคันธังสีวารีสมมาหเสระาหัวันทานิสุรโตอาหัวันทานิสาธโย อาหารวันทานีสัพปะโสโหธาธรรมะสังฆอุเชนิอาแพรกำหนดไปทั้งสามแดนโลกธาตุกำหนดไปที่บิดามารดาและหมย่าทั้งหลายผู้มีกุคุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับในเรน สัพเพพธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆะภาลพัตตาปัจเจกานันจะยังภาลังภาลหานานันจะเอเจนารังปะปะโตสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆะ ฮาลาปัสตาสัจเจกานันจายังเทาฮาลาหันตาานันจายเซนาลาคังสาธิตพุทธาสัจเจธรรมาสัจเจสังกาฮาลาปัสตาสัจเจกานันจายังเทา ข้ามตานันจะเทเสนารักขังปันธานิสัพพโสสาเุตตาสาเธรรมาสาเสสังฆาปะตาปะเจกานันจะยังพลังหาลหันตานันจะาเทเสารักขังปันธานิสัพพโส เพุทธาสาเจธรรมาสเจสังฆาอาตาเจกามันะยันพลังหาลานารันตเจเทารักขังปันตาณิสสะพุทธทางอาธิฐามิธรรมังอาธิฐานิสังฆทางอาธิฐานิ อาอธิษฐานถ้าในอธิษฐานรวมกำลังจั ก, กรพัดที่เราสวดทุกวันเวลาสับเท่า้ให้นึกถึงพระทรงเครื่องจะเป็นพระแก้วแดงก็ได้จะเป็นพระแก้วมรกตหรือพระชีวนาพระเมนพระที่ทรงเครื่องนะ ม, มันเป็นรูปลักษณ์ของจั ก, กระพัดหรือพระอรหัน ขอบารมีหลวงปู่ดูท่านขอท่านรวมให้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตแผ่ไปให้ทัสามแดนโลกธาตุแผ่ให้ประเทศไทยดูที่แผนที่แผ่ให้พระเจ้าเป็นดินองค์ปัจจุบันแผ่ให้ตัวเองสรพบ เพุธาสัพเทธรรมาสัพเทสังกาภาระปัสาปัจเจกานันจะยังวรังภาระหันานันจะเทนารคังพันตานิสัพพโส สัตตพุทธาสัตถธรรมาสัเพสังขาราราปชาปเจกันจายังบาลังอารันตาณจ่าเอเจนะรักขังปันธานิสัพพโส พุทธาสัเตสัมมาสัเตสังขาราตตตาปัจเจกานันตยังวรังอาราธนาณจเดชนารักขันมิสัปปโสพุทธังอธิฐานิ สามครั้งอธิษฐานนี้เสร็จแล้ววันวันนึ่งเนี่ยเรามีทั้งบุญและบาปทั้งการกระทำ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 มันจะรวมวันนี้ด้วยให้รวมทุกวันตอนสวนสองทุ่มครึ่งให้รวมโดยขอกำรังรวมหลวงพ่อดูคันพรมะปันโยขอท่านรวมบุญกุศลบุญบารมีที่พระเจ้าทั้งหลายเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติตึงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ทานศีเนกะคั ม, มะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาและทัศปารมีเพื่อนำกำลังนี้มาเป็นประโยชน์สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังธา พาระปัจปันเจกานันจยังภารังอารหันตานันจเเจนรับังนิสปัสสุสัตตพุทธาสัตเิธมาสัตติสังขา ปัตตาปเชตานันเจยังพระรังอารหันตานันจเจเจนารักขังปัญธานิสัพสุสัตติพุทธาสัตติธรรมาสัตติสังขาปาราปัตตาปเจตานันเจยังพระรัง อาหันตานาจเตเสนาลักขังทามิอาปะโสสาเตปุชาสาเตธัมมาสาเตสังขาราปัสสาปัสเชตานาจญยังวาราม มาราหันตานาจาเอเสนารักขังมีสัพพโสสาเสภุษาสาเสธรรมาสาเสจังตาทาลาปัสสาสาเสสามัญเทนวะร อระหังตาสะวสนารมนสตาโทธัอาติสาณิทัมมอาติสาณิสังงอาติสาณิ